จเจรินพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านวันนี้เป็นวันพุทธที่15กรกฎาคมพุทธศักราช2 5 5 2เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัด เพื่อมาเร่งความเพียรเร่งการปฏิบัติธรรมเร่งการบำเพ็ญบุญกุศลให้ได้มากเท่าที่จะสามารถทำได้เนื่องจากอยู่ในช่วงเข้าพรรษาเราถือว่าช่วงเข้าพรรษานี้เป็นเวลาพิเศษที่เราจะตัดเรื่องราวต่างๆ ที่ไม่จำเป็นออกไปเพื่อจะได้มีเวลาว่างมาสร้างบุญสร้างกุศลมาเร่งทำความเพียรเพราะบุญกุศลเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อชีวิตจิตใจทั้งในขณะที่มีชีวิตอยู่และในขณะที่ต้องจากโลกนี้ไป ในขณะที่มีชีวิตอยู่ใจก็มีความสุขมีความอิ่มน้ําสำราญใจมีความเบา อ, อกเบาใจเวลาไปก็ไปสู่สุขคติไปสู่พกที่ดีกว่าที่เป็นอยู่ถ้ากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเป็นมนุษย์ที่ดีกว่าเดิมเช่นมีรูปร่างหน้าตาผิวพรรณ ดีกว่าเดิมมีฐานะการเงินดีกว่าเดิมมีสติปัญญาดีกว่าเดิมเป็นต้นเกิดจากการบำเพ็ญบุญบารามีนี่เองทาได้มากเท่าไรพผลก็จะได้มากเท่านั้นไม่ได้อยู่ที่ผู้อื่นไม่ได้อยู่ที่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ต่อให้เราบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยการกราบไหว้อยู่ทุกเช้าทุกวันทุกเย็นก็ไม่พอเพียงต่อการที่จะทำให้เราดีขึ้นชีวิตของเราจะดีขึ้นได้ต้องอยู่ที่การบำเพ็ญเพียรบำเพ็ญบุญบารมีปฏิบัติธรรมดังที่ทรงสอนให้ เพียรอยู่ใน4สถานด้วยกันคือ 1. เพียรในทำความเพียรในการในการสร้างบุญสร้างกุศลที่ยังไม่มีให้มีขึ้นมา 2. เพียรรักษาบุญกุศลที่มีอยู่แล้วไม่ให้ขาดหายไป 3. เพียรละการกระทำบาป ที่ยังทำอยู่ให้น้อยลงไปและให้หมดไป 4. ให้เพียรในการป้องกันไม่ให้บาปที่ได้ละแล้วนั้นกลับมาอีกนี่คือความเพียรที่เราควรที่จะทำกันในช่วงเข้าพรรษานี้เราก็มาเพิ่มความเพียรกัน เหมือนกับขับรถยนต์ถ้าเราเคยขับร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงตอนนี้เราก็เร่งเป็นร2 0ยร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงเพราะเราทำมากเท่าไหร่งานที่เราต้องทำก็จะน้อยลงไปและจะหมดเร็วขึ้นงานทางพระพุทธศาสนานี้มีวันสิ้นสุด ไม่จําเป็นจะต้องทําไปเหมือนงานที่เราทําในทางโลกงานในทางโลกนี้เราทํากันมามากน้อยเพียงไรเราก็ยังต้องทํากันต่อไปเพราะเราหยุดไม่ได้ <c oughs> ถึงแม้เราจะมีพอกินพอใช้อยู่แล้วก็ต่างแต่ใจของเราถูกอํานาจของกรรมสั่งให้ทําอยู่เรื่อยๆ จนไม่มีวันที่จะหยุดได้จะหยุดก็ต่อเมื่อมีเหตุบังคับให้หยุดเช่นทํางานแล้วพออายุครบเขาก็ปลดออกจากงานหรือร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยจนไม่สามารถทํางานต่อไปได้ถึงจะหยุดแต่เวลาหยุดแล้วก็ไม่มีความสุขมีแต่ความ ว, ว้าเหว่เศาสร้อยห้อยเหงาไม่เหมือนกับเวลาที่ไปทำงานแต่การทำงานนี้ถึงแม้จะไม่ว้าเหว่จะไม่เศร้าซ้อยห้อยเหงาแต่ก็มีความทุกข์อย่างอื่นมีปัญหาต่างๆที่จะต้องคอยแก้ไขมีอุปสรรคต่างๆที่จะต้องคอยฟันฝ่าดัางนั้น ไม่ว่าจะทำหรือไม่ทำงานทางโลกนี้มันก็ไม่ได้มีคุณมีประโยชน์แก่จิตใจเหมือนกับงานทางบุญทางกุศลเพราะยิ่งทำได้มากเท่าไหร่จิตใจยิ่งเบา อ, อกเบาใจมีความสุขมีความอิ่มมากขึ้นไปตามลำดับจนมีความสุขความอิ่มเต็มตลอดเวลา หลังจากนั้นแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรอีกและเวลาไม่ทำก็ไม่เดือดร้อนอะไรจะไม่รู้สึกเศร้าสร้อยงอยงเหงาว่าเวเปล่าเปลี่ยวแต่อย่างใดเพราะบุญกุศลนี้จะหล่อเลี้ยงจิตใจให้มีแต่ความอิ่มน้ำสำราญใจอยู่ตลอดเวลาเหมือนอยู่ท่ามกลางหญ้าสนิทมิสหายอยู่ท่ามกลางเพื่อนฝูง แต่เพื่อนฝูงนี้ไม่ได้เป็นบุคคลแต่เป็นบุญกุศลที่เราได้ทำไว้นี่แหละเป็นเรื่องที่สำคัญแก่จิตใจของเรางานทางโลกหรือสมบัติทางโลกต่อให้เราได้มามากน้อยเพียงไรก็ตามก็ยังไม่สามารถแก้ปัญหาความว้าเหวความอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวใจได้ เวลาที่เราต้องอยู่คนเดียวเพราะว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้ไม่มีคุณมีประโยชน์แก่จิตใจเลยมีแต่จะสร้างปัญหาสร้างภาระสร้างความทุกข์ให้แก่ใจนักปราชเช่นพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ตระสาวกทั้งหลายจึงไม่เสียเวลากับการทา ง, งานทำการทางโลก ไม่เสียเวลากับการสแสวงหาทรัพย์ทางโลกเหมือนอย่างที่พวกเราสแสวงหากันท่านมีปัญญาท่านเห็นแล้วว่ามันเป็นความทุกข์มันเป็นภาระมันไม่ได้ปลดเรื่องจิตใจให้หลุดพ้นจากความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆมีแต่จะฉุดลากจิตใจให้เข้าสู่กองทุกข์มากยิ่งขึ้นอีก ท่านจึงกล้าที่จะตัดชีวิตที่ท่านเคยดำเนินมาตัดงานตัดการตัดสมบัติต่างๆแล้วออกแสวงหาสถานที่วิเวกที่สงบเพื่อสร้างบุญสร้างกุศลจนในที่สุดท่านก็สามารถสร้างบุญสร้างกุศลได้เต็มที่ พอได้ครบถ้วนบริบูรณ์แล้วท่านก็ไม่ต้องเร่งความเพียรอีกต่อไปไม่ต้องเพียรอีกต่อไปเพราะกิจในพรหมจรรย์ได้สิ้นสุดลงแล้วกิจที่ยิ่งกว่านี้ไม่มีแล้วผู้ที่ได้ทำกิจในศาสนาจนสมบูรณ์แล้วก็ไม่ต้องทำอะไรอีกต่อไปนอกจากช่วยเหลือผู้อื่นตามสมควรแก่ฐานะ ตามสมควรแก่อัตภาพแต่ไม่ได้ถือว่าเป็นงานเป็นการถือว่าเป็นการสงเคราะห์กันถ้ามีผู้สนใจอยากจะรู้อยากจะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องบุญเรื่องกุศลท่านก็จะสงเคราะห์สั่งสอนไปตามความสมควรแก่ฐานะของผู้ที่มาศึกษาริ่าเรียน แล้วก็ขึ้นอยู่กับศรัทธาของผู้ที่มาศึกษาว่าจะสามารถนำเอาไปปฏิบัติมากน้อยเพียงไรผู้สอนนั้นไม่มีความวิตกกังวลไม่มีความเดือดร้อนใจแต่อย่างใดว่าผู้มาศึกษานั้นจะสามารถปฏิบัติได้ถึงขั้นไหนเป็นเรื่องของความสามารถ ของผู้มาศึกษาขึ้นอยู่ที่ว่ามีความเพียรในสถานทั้งสีที่ได้แจ้งไว้แล้วหรือไม่คือมีความเพียรในการทำบุญกุศลที่ยังไม่มีให้เกิดให้มีขึ้นหรือไม่เพียรในการรักษาบุญกุศลที่มีอยู่แล้วไม่ให้ขาดหายไปหรือไม่เพียรในการละบา ที่ยังทำอยู่หรือไม่และเพียนในการป้องกันไม่ให้บาป ท, ที่ได้ละแล้วนั้นกลับมาอีกหรือไม่ขึ้นอยู่ตรงนี้ถ้ามีความเพียรในสถานสีประการนี้แล้วรับรองได้ว่ากิจในพระพุทธศาสนานี้จะมีวันสิ้นสุด ในระยะเวลาที่ไม่ไกลเลยเพราะหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้แล้วประกาศพระธรรมคำสอนให้แก่สัตว์โลกแล้วก็ปรากฏมีผู้มีจิตศรัทธาน้อมนำเอาคำสอนไปปฏิบัติจนเสร็จภา ร, รกิจได้ในเวลาที่ไม่ยาวนานบางท่านเพียงวันเดียวเพียงแค่ได้ยินได้ฟังธรรม ก็สามารถทำกิจให้เสร็จสิ้นได้ในขณะที่ฟังธรรมบางท่านก็ใช้เวลาหลายวันบางท่านก็เจ็ดวันบางท่านก็เจ็ดเดือนบางท่านก็เจดปี <S <S แต่มีโอกาสที่จะทำงานนี้ให้เสร็จสิ้นไปได้เพราะมีทางมีผู้สอนมีผู้ชี้ทาง ไม่เหมือนกับสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญเพียรไม่มีพระพุทธศาสนาไม่มีพระพุทธเจ้ามาสอนพระพุทธเจ้าจึงต้องบำเพ็ญบุญบารมีเป็นกับเป็นกันจนกว่าได้ทรงตัดสโลด้วยพระ อ, องค์เองไดส้สามารถทากิจของพระศาสนา ได้สำเร็จรุ่งเรืองไปได้ด้วยตนเองแต่ต้องใช้เวลาเป็นกลับเป็นกันด้วยกันส่วนผู้ที่ได้มาได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วไม่ต้องใช้เวลายาวนานแบบนั้นเพียงในเวลาเจวันหรือถึงเจปีนี้พระพุทธเจ้าทรงรับรองไว้ว่าจะสามารถ ทำกิจในพรหมจรรย์ในกิจของพระศาสนานี้ได้สําเร็จอยู่ที่การปฏิบัติใ น, ในการทำความเพียรทั้งสี่สถานนี้เท่านั้นดังนั้นขอให้เราจงมาสร้างบุญสร้างกุศลที่เรายังไม่เคยสร้างกันยังไม่เคยทำกันเช่นในพรรษานี้ เราไม่เคยใส่บาตรทุกวันเราก็จะใส่บาตรทุกวันถ้าไม่มีพระผ่านมาที่บ้านเราก็เอาเงินที่จะซื้อกับข้าวกับปลาอาหารนี้ใส่กระปุกไว้ใส่กล่องไว้แล้วถือว่าเป็นการใส่บาตรพอถึงวันพระเรามาวัดเราก็เอาเงินที่เรา ใส่ในกระปุกในกล่องนี้มาถวายวัด mm hmm. ก็ถือว่าเราได้ใส่บาตรทุกวันส่วนการมาวัดถ้าเราไม่เคยมาวัดในวันพระเลยเราก็มากันวันธรรมดาเราไม่เคยรักษาศีลห้าเราก็รักษาศีลห้ากัน mm hmm. พอมาวันพระ เราก็มาเพิ่มมารักษาศีล8กันอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าสร้างบุญสร้างกุศลที่ยังไม่มีให้เกิดขึ้นส่วนผู้ที่เคยรักษาศีลห้าอยู่เป็นปกติเคยใส่บาตรเป็นปกติก็ใส่ไปรักษาไปต่อหรือจะเพิ่มจากศีลห้าให้เป็นศีล8ในระยะเวลาสเดือนนี้เลยก็ได้ หรือบางท่านก็ออกบวชถือศีล227ข้อเลยก็ได้นี่คือการสร้างบุญสร้างกุศลที่ยังไม่มีให้มีขึ้นและรักษาบุญกุศลที่มีอยู่นั้นให้ให้แม่ให้ขาดหายไปละบาปที่ยังไม่ได้ละและป้องกันบาปที่ ได้ละแล้วไม่ให้กลับคืนมาอีกเรื่องของการปฏิบัติเป็นอย่างนี้เราต้องทาเราต้องถามตัวเราเองว่าเรากำลังทำอะไรอยู่เราทำบุญทำกุศลหรือไม่เราละบาปหรือไม่อย่างนี้เป็นตน้นเพราะถ้าเราคอยถามตัวเราเองอยู่เวลาเราจะไปทำบาปเราก็จะได้มีสติ คอยยับยัง้งเช่นเรามีเพื่อนมาชวนเราไปงานเลี้ยงแล้วเขาก็เอาสุรามาให้เราดื่มถ้าเราคอยถามตัวเราเองว่าเรากำลังบําเพ็ญบุญกุศลอยู่ตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนหรือไม่พอมีคนมาเอาสุรามาดื่มมาให้เราดื่มเราก็จะได้ไม่ดื่ม เราจะรับไว้ก็ไม่เสียหายอะไรเป็นการไม่เสียมารยาทแต่เราไม่จำเป็นต้องดื่มรับไว้แล้วเราก็วางไว้เฉยๆหรือให้คนที่เขาชอบดื่มให้เขาเอาไปดื่มแทนเราก็หาน้ำเปล่ามาดื่มนี่คือการรักษาคือป้องกันบาปที่เรา ได้ละแล้วไม่ให้กลับไปอีกถ้าเราละสุราได้แล้วเราก็อย่ากลับไปเด่อนอีกถ้าเราละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตได้เราก็อย่ากลับไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตถ้าเรายังฆ่าอยู่เราก็ต้องทาเราก็ต้องงดเราต้องหยุดเราต้องละถ้าเรามันทำอย่างนี้แล้วจิตใจของเราจะ จรก้าวหน้าไปตามลำดับเราจะก้าวจากทำขั้นต่ําสู่ทำขั้นสูงได้หลังจากทําบุญให้ทานเป็นปกติแล้วต่อไปรักษาศีลก็จะเป็นปกติศีลห้าเราก็จะรักษาได้ทุกวันศีล8เราก็จะรักษาในวันพระเพื่อที่เราจะได้ตัด นิวรนคืออุปสรรคที่ขวางกั้นไม่ให้เราได้พบกับสิ่งมหัศจรรย์ที่มีอยู่ในใจของเราคือความสงบของใจใจจะสงบได้ใจจะต้องอผ่านนิวรนคือกามฉันทะกามฉันทะแปลว่าอะไร กา마แปลว่ากามคือรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะฉันทะคือความยินดีความใคราความพอใจกามฉันทะก็แปลว่าความใคร่ในกามในรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะนั่นเองเช่นคนที่ชอบดูหนังฟังเพลงดูละครดูลิเกชอบเต้นรำ ชอบไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆชอบเที่ยวกลางคืนชอบร่วมหลับนอนกับคนนั้นคนนี้เหล่านี้เรียกว่าเป็นเรื่องของการมฉันทะการได้เสพความสุขทางการนี้ไม่ได้ทำให้จิตใจสงบแต่กลับทำให้จิตใจฟุ้งซ่านในยามที่ ไม่ได้เสกก็จะว้าวุ่นขุน ม, มัวเศร้าส้อยหงอยเหงาเวลาที่ได้เสกก็มีความสุขเพียงเดียวเดียวแล้วไม่นานก็เกิดความอยากที่จะเสกอีกจิตก็ต้องฟุ้งซ่านอยู่กับการหากลางต่างๆชนิดต่างๆไม่ว่าจะเป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นผลธรร ชนิดไหนก็ตามก็จะคอยแสวงหาอยู่เรื่อยๆตราบใดที่มีการแสวงหาอยู่ใจจะไม่นิ่งใจจะไม่สงบเมื่อไม่นิ่งไม่สงบก็จะไม่ได้พบกับความสุขที่เป็นธรรมชาติของใจเป็นความสุขที่เกิดจากการสงบของใจจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ เราสามารถละกามะฉันทะได้เราจึงต้องถือศีลแปกันเพราะถือศีลแปนี้เป็นวิธีที่จะช่วยให้เราได้ชำระนิวรณ์ชำระกามะฉันทะนั่นเองเช่นศีลข้อสถ้าถือศีลห้าเราก็จะถือกามเมคือจะ่ร่วมหลับนอนแต่เฉพาะคู่ครองของเรา แต่ถ้าเราถือศีลแปเราก็จะไม่ร่วมหลับนอนกับใครเลยเราจะถือศีลพรหมจรรย์อพรหมจรรยารเวรมณีนี่คือการไม่ร่วมหลับนอนกับใครเลยเพราะไม่ต้องการที่จะหาความสุขจากการหลับนอนจากการเสพการแต่จะหาความสุขจากการทำจิตใจให้สงบ นี่ข้อข้อหส่วนศีลข้อที่6กคือวิการละโภชนาะจะละเว้นจากการรับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วเพราะการรับประทานอาหารนี้ไม่จำเป็นที่จะต้องรับประทานมื้อเย็นร่างกายนี้ไม่จำเป็นจะต้องรับประทานสามมือ้อรับประทานมื้อเดียวก็อยู่ได้ ถ้าเรารับประทานจำนวนพอเพียงต่อความต้องการของร่างกายเช่นสมมุติวันหนึ่งเรารับประทานสามมือ้อเราก็เอาอาหารที่เรารับประทานทั้งสามมื้อมารวมกันเป็นมื้อเดียวเช่นกินก๋วยเตี๋ยววันละสาจานเราก็ามากินทีเดียวพร้อมกันไม่ต้องแบ่งกินตอนเช้าตอนกลางวันและตอนเย็นกินมันทีเดียวไปพร้อมกันเหมือนกัน เหมือนกับเติมน้ำมันเติมน้ำมันทีเดียวให้มันเต็มถังไปเลยไม่ต้องแทงกั๊กเอาไว้เติมทีเราครึ่งถังอย่างนี้เป็นต้นเติมมันไปให้มันเต็มทีเดียวเลยจะได้ไม่ต้องเสียเวลามาคอยเติมอยู่เรื่อยการที่เรารับประทานอาหารสหรือสี่เวลานี้เมื่อเราไม่ได้รับประทานเพื่อร่างกายเราแต่อย่างเดียวแต่เรารับประทานเพื่อกามฉันทะด้วย คือความใคร่ความยินดีในรูปรสของอาหารนั่นเองเวลาเรานึกถึงอาหารใจของเราก็หิวขึ้นมาแล้วทั้งๆ ท, ที่ร่างกายของเราไม่ได้ต้องการอาหารเลยแต่ใจของเรานี่มันต้องการอยู่แทบทุกวเวล่างเวลาคิดถึงตอนไหนแล้วก็อดที่จะหาอะไรมาดื่มมารับประทานไม่ได้หลังจากรับประทานอาหารไปแล้ว ยังอดที่จะไปหาเครื่องดื่มต่างๆมาดื่มไม่ได้หาขนมมาขบมาเคี้ยวไม่ได้ทั้งๆ ท, ที่ร่างกายไม่ได้ต้องการสิ่งเหล่านี้เลยนี่เป็นเพราะเป็นเรื่องของการมฉันทะวิธีที่จะกำจัดการมัชฌันทะเราก็ต้องถือข้อที่หนี้คือวิการละโภชนาจะรับประทานไม่เกนเที่ยงวันไปแล้ว หรือถ้าเราจะให้มันเข้มข้นขึ้นไปเราก็รับประทานเพียงมือเดียวหรือยิ่งถ้าจะให้เข้มข้นกว่า น, นี้ก็ไม่รับประทานเลยอดหนึ่งวันร่างกายอยู่ได้เรากินไว้เผื่อตั้งแต่เมื่อวานนี้ไว้ก็ได้ร่างกายอดอาหารวันเดียวไม่ตายรับรองได้พระพุทธเจ้าทรงอดเคยอดถึงสี่บเวันยังไม่ตายเลย แต่ตัวการมัชันทะนี้มันจะตายมันจะไม่มารบกวนจิตใจของเรามันจะทำให้เราทําจิตใจให้เข้าสู่ความสงบได้ง่ายถ้าเราไม่มีศีลแปดนี้คอยควบคุมการมัชันทะแล้วเวลาเราจะนั่งสมาธินี้มันจะนั่งไม่ไหวนั่งได้ไม่กี่นาทีเดี๋ยวก็คิดอยากจะดื่มนั่นดื่มนี้ อยากจะดูนั่นดูนี่อยากจะฟังฟังนั่นฟังนี่มันก็จะเริ่มรู้สึกอึดอัดใจทําให้ไม่สามารถนั่งทําสมาธิได้ mm. เราจึงต้องกําจัดกามฉันทะในรูปแบบต่างๆเมื่อกี้นี่ก็กําจัดในรูปแบบของอาหารแล้วก็ต้องมากําจัดในรูปแบบของกลิ่นของรูปเช่นเราจะไม่แต่งกายหนแต่งหน้าทาปาก ใช้น้ำหงน้ำหอนใส่เสื้อผ้าสวยๆงามๆนี่ก็เป็นการมาฉันทาเอกแบบนเราจะต้องหมดเวลาเสียเวลากับการไปแต่งหน้าแต่งตาแต่งผมแต่งกายออกไปหาซื้อเสื้อผ้าซื้อเครื่องสำอางซื้ออะไรต่อมีอะไรมาเพื่อที่จะมาเสริมความงามให้แก่ร่างกายเรา ถ้าเราถือศีลแปดเราก็จะตัดปัญหาเหล่านี้ได้อาบน้ำฟอกสบู่แล้วก็หวีผ้าหวีผมเท่านี้ก็พอเพียงใส่เสื้อผ้าธรรมดาชุดขาวอย่างที่ท่านทั้งหลายมาได้มาใส่กันนี่ก็เป็นวิธีที่จะตัดเรื่องของการมาชันทะไปได้อีกเปลาะหนึ่งแล้วอีกเปลาะหนึ่งก็คือการไม่ดูหนังฟังเพลง ไม่หาความสุขจากเครื่องเครื่องรื่นรมต่างๆเครืๆๆ่องบรรเทงต่างๆไม่ดูหนังฟังเพลงไม่ไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆนี่นเป็นต้นถ้าเราตัดสิ่งเหล่านี้ได้แล้วใจจะเข้าสู่ความสงบได้งา่ายนอกจากนั้นแล้วเรายังต้องนอนแบบธรรมดา อย่านอนบนฟูกหนาะๆนะเพราะมันจะติดกับการหลับนอนร่างกายนี้ไม่ต้องการนอนตลอดทั้งวันตลอดทั้งคืนนอนเพียงสี่ชั่วโมงนี้ก็จะพอเพียงแล้วถ้านอนบนเสือ่อนอนบนพื้นธรรมดาปูเสือ่อปูผ้าเวลาม่วงนอนนี้นอนหลับแล้วจะหลับไม่นาน ประมาณ4ี่ห้าชั่วโมงก็จะติ่ขึ้นมาแล้วกจ็จะไม่อยากจะนอนต่อแต่ถ้านอนบนฟูกหนาๆจะนอนยาวพอตื่นขึ้นมาก็ยังไม่อยากจะลุกอยากจะนอนต่อไปเพราะติดในความสุขของการหลับนอนบนฟูกหนาๆ น, นี่เองอย่างนี้ก็เป็นการมาชันทะอีกแบบหนึ่งที่เราต้องกำจัด ถ้าเราอยากจะได้พบกับความสุขที่เกิดจากความสงบของใจพอเราถือศีลแปดได้อย่างเคร่งครัดแล้วเราก็จะมีเวลาที่จะนั่งสมาธิทำจิตใจให้สงบในเบื้องต้นถ้าเราไม่สามารถบริกรรมพุทโธพุทโธไปได้ พอใจอยังคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้อยู่ก็ให้สวดมนต์ไปก่อนสวดมนต์บทใดบทหนึ่งก็ได้หรือหลายๆบทก็ได้ส่วนบทที่เราจําได้เวลาสวดเราก็สวดแบบนั่งสมาธิไปเลยก็ได้คือเรานั่งขัดสมาดตั้งตัวให้ตรงแล้วก็สวดมนต์ไปภายในใจไม่ต้องออกเสียงสวดนภูตัสสะอาระหังสัมมา สวดไปเรื่อยๆสวดไปจนกว่าใจจะรู้สึกเย็นสบายอยากจะหยุดก็ลองหยุดดูดูว่าใจจะหยุดนิ่งไหมหรือยังจะคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้อยู่ถ้ายังคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ก็ให้บริกรรมพุทโธพุทโธต่อไปก็ได้หรือจะดูลมหายใจเข้าออกก็ได้ ถ้าดูลมหายใจก็ให้ดูตรงที่ปลายจมูกรงที่ลมเข้าออกตรงปลายจมูกลมเข้าก็รู้ว่าลมเข้าลมออกก็รู้ว่าลมออกหายใจยาวก็รู้ว่าหายใจยาวหายใจสั้นก็รู้ว่าหายใจสั้นลมหยาบก็รู้ว่าลมหยาบลมละเอียดก็รู้ว่าลมละเอียดลมหายไปก็รู้ว่าลมหายไปไม่ต้องตกใจไม่ต้องไปคิดว่าจะตาย เวลาลมหายไปเพราะในขณะนั้นจิตกําลังเข้าสู่ความละเอียดและลมก็เข้าสู่ความละเอียดจนเหมือนกับว่าลมหายไปแต่ลมยังไม่หายไปและจะไม่ตายอย่างแน่นอนตราบใดที่ยังรู้อยู่ว่าลมนี้หายไปถ้ารู้อยู่อย่างนี้เดี๋ยวจิตก็จะรวมลวมเข้าสู่สมาธิ รวมลงเป็นหนึ่งเป็นเอกตารลมเป็นอุเบกขามีความศักแต่ว่ารู้อยู่ตามลำพังร่างกายหรือเรื่องราวต่างๆทั้งหลายก็จะหายไปเหลือแต่ผู้รู้อยู่ตามลำพังและเหลือแต่ความสุขที่เลิศที่วิเศษกว่าความสุขอื่นใดในโลกนี้นี่คือผลที่จะเกิดขึ้นจากการ ทำสมาธิทำจิตใจให้สงบถ้าได้พบกับความสงบแบบนี้แล้วจะมีกําลังจิตกําลังใจที่จะบําเพ็ญบุญกุศลให้มีมากยิ่งขึ้นไปจะมีกําลังจิตกําลังใจที่จะตัดภารกิจต่างๆท า, างด้านอื่นให้น้อยลงไปจะมีความยินดีที่จะตัดการมชันทะ ต่างๆให้หมดไปเมื่อได้รู้แล้วว่าความสุขของกามาชันทะนี้มันไม่วิเศษเหมือนกับความสุขที่เกิดจากความสงบของจิตใจแล้วก็จะบำเพ็ญไปเรื่อยๆจนได้พบกับความสงบนี้อยู่ตลอดเวลาในทั้งสี่อิรยาบุไม่ว่าเดินยืน นั่งหรือนอนจิตจะสงบอยู่ตลอดเวลาเพราะเป็นสิ่งที่ทาได้พระพุทธเจ้าทำมาแล้วพระอริยสงสาวกทั้งหลายได้ทำมาแล้วท่านทั้งหลายก็เป็นเหมือนพวกเราในตอนเริ่มต้นท่านก็ยังมีความติดอยู่กับการมันทะยังยินดีกับการมรถต่างๆแต่ หลังจากที่ได้พิจารณาแล้วว่ามันไม่ได้เป็นความสุขที่แท้จริงสู้ความสุขที่เกิดจากการบำเพ็ญบุญกุศลเพื่อทําจิตให้สงบไม่ได้ท่านก็เลยเปลี่ยนวิธีการดําเนินชีวิตแทนที่จะแสวงหาความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐาพะท่านก็กลับมาหาความสุขจากการทําบุญให้ทานจากการรักษาศีล จากการไหว้พระสวดมนต์นั่งทำสมาธิเจริญปัญญาฟังเทศฟังธรรมจนในที่สุดท่านก็ได้พบกับความสุขที่ถาวรที่ไม่เสื่อมคลายที่มีอยู่ตลอดเวลานี่แหละคือเรื่องของการบำเพ็ญเพียรในสถานสีน่นี้ผลจะเป็นอย่างนี้จึงขอให้พวกเรา ในพรรษานี้ตั้งเป้าอยู่ที่การบำเพ็ญเพียรทั้งสีนี้ขอให้เราตั้งอธิษฐานจิตว่าจะบำเพ็ญเพะความเพียรในสถานสีน่นี้คือจะสร้างบุญสร้างกุศลที่ยังไม่มีให้มีขึ้นจะรักษาบุญกุศลที่มีอยู่แล้วไม่ให้ขาดหายไปจะละบาปกรรมที่ยังไม่ได้ละ และจะป้องกันไม่ให้บาปกรรมที่ได้ละแล้วหวนกับคืนมาอีกขอให้ตั้งเป้าไว้ตรงนี้แล้วผลอันเลิศอันประเสริฐที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาโลกทั้งหลายได้พบได้ครอบครองก็จะเป็นผลของเราในลำดับต่อไปจึงขอฝากเรื่องของการบํงเพียนในสถานทั้งสี่นี้